พระธรรมเทศนาแผ่นที่71สดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่10มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่ากิเลส ท, ทั้งมวลล้วนออกมาจากใจโอ วันนี้ฝนตกกว่าอากาศหนาวอีกต่างหากวันนี้เป็นวันที่สิบมกราคมพุทธศักราชสองพห้าสบวันนี้ฉันจังหันเสร็จแล้วหงพ่อคงจะได้ออกไปธุระนะแต่ถึงยังไงพวกเราพระเนนลูกหลาน คณะศรัทธาญาติโยมก็ปฏิบัติสิงปฏิบัติธรรมอย่างเก่าเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลักใหญ่จริงๆก็คือละชัว่วทำดีทำใจให้สะอาดผ่องแผ้ว ของแพ้วหรือว่าชำระใจให้บริสุทธิ์อันนี้แหะคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักใหญ่สรุปแล้วก็คือคิดดีทำดีพูดดีกายวาจใจใจแต่หลักหลักปิในกราว่ากายวาจาใจแต่หลวงพ่อเนี่ยจะพยายามพูดว่า ใจกายวาจานะคือใจต้องคิดซะก่อนคิดดีซะก่อนการกระทาออกไปก็ทาดีการพูดออกไปก็พูดดีถ้าหากว่าใจของเราคิดไม่ดีการกระทำออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็ไม่ดีมันออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในโอวาทปฏิโมกษ์ท่านบอกว่า สัพปปาปัสสะอกระนังกุสรสทูประทัมปรดาสจิตตปริโยรปานังเอตังพุทธานาสาสนังสัพปปาปัสสะอกระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งก็ว่าทั้งปวงทั้งหมดแต่ว่าคิดชิดชั่วไม่ต้องคิดอย่าคิดชั่วสัพปปาปัสสะอกระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งการไม่ทําบาปคืออะไรคิด ในความคิดอย่าไปคิดในทางที่ไม่ถูกต้องกุศลัดสู้ประสัมปดาและก็การยังกุศลให้ถึงพร้อมคิดไปในทางที่ถูกต้องอันไหนที่ถูกต้องรู้ไหมเป็นเสียแต่เรารู้ทั้งรู้ก็ฝืนดันทุลังโดยมากมันเป็นอย่างไั้นมันสู้กิเลสไม่ได้ ทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ดันทุลังทําเพราะว่ามันสู้กิเลสภายในใจตัวพักดันไม่ได้เนี่ยว่ามันก็เลยไปในถลําไปใ น, นวัดการทําความชั่วนการที่จะสร้างกุศลสูปราสัมปดาเนี่ยการทํ า, ทาความดีนมันสู้กันพอสมควร น, นะคือจะแย่งเก้าอี้ตัวที่ ความดีเนะี่ยบางทีความชั่วเข้ามาแย่งบางทีตัวความดีเข้ามาแย่งแย่งเก้าอี้คือแย่งใจของเราถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งจริงเราไม่มีเหตุผลจริงเราก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวสู้ตัวอกุศลนี่ไม่ได้แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงตั้งใจดี เรามองเห็นคุณงามความดีเราก็เอาสู้ชนะเอาใจที่เป็นกุศลเข้ามานั่งบรรชาการที่หัวใจเราได้ในว่ากุศลสูปรสัมปดาสาจิตตปริโยรปานังทำชาละจิตเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสราคะโทสะโมหะ ที่จะชำระจุดนี้ได้ก่อนที่จะคิดดีได้หรือการที่คิดชั่วได้คิดดีคิดชั่วเนี่ยมันออกไปไปจากใจตอนนั้นให้คน้นค้นเข้าไปหาใจเขาไปหาตัวผู้รู้คือใจนั่นแหละและจะจัดจะทัก จ, จ, จะค้นเขาไปหาได้อย่างไงไปหาจุดนั้นไปหารังมันะ่ะ <c oughs> รังของมันที่มันอยู่นะ่ะออรังของใจนะพระพุทธเจ้าท่านก่นั้นที่แรกต่อไป นขนคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพภุตนะกยาอดภกยขญาหารบัง้งผ่อนอาหารบัง้งมีมากมายแต่ผลที่สุดมันเข้าไม่ถึงมันมันเข้าไม่ถึงรังของมันรังกิเลสรังใจนะเตั้งหกปีเพราะมันเข้าไปเข้าไปถลุมมันไม่ได้เข้าไปถล่มมันไม่ได้ อพอเข้าไปทำขึ้นมามันไม่ใช่มันเป็นแต่ลูกสมุนมันเฉยๆมีแต่มันส่งออกมามันส่งออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรามีแต่ไปสู้กับลูกสมุนมันอยู่ข้างนอกแต่ตัวใหญ่ของมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าขอพยายามค้นคว้าศึกษาจุดนี้ทั้งหกปีท่านจึงลําลึกได้ ว่าเออสมัยเราเป็นกุ ม, มารเราเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กไปแลกนาขวัญกับพระพบิดาไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นว่าในวันนั้นเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งอันนั้นกำลังเป็นหนทางแฮแฮท่านไม่ใช่ธรรมดาเนยนึก นึกย้อนหน้าย้อนหลังนะแต่ว่าการประพฤติธปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องนึกดูอดีตแล้วก็ถามมีผู้ใดใครเพื่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูตัวเองด้วยเพราะพระไยเจ้าท่านดูตัวเองท่านล้ำลึกถึงสมัยเป็นกุมารที่ไปแลกนาขวัญขปะปิดาที่พี่ณ้พี่เลี้ยงนางนมเอาไปไว้ที่โคลนต้นว่า ที่ท่านให้ไปพักผ่อนนอนผีเลี้ยงนางนมก็ไปดูการแลกนาขวัญกับพระบิดาพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าจุทธโธธนะแลกนาขวัญปล่อยให้สิทธิษฐยู่ตามลำพังอยู่ที่โคลนต้นว่าจากนั้นท่านอยู่ในความสงบไม่มีใครไม่มีใครเฝ้าพระองค์ก่อนลูกคุณมานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย อแล้วกําหนดกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นกํามังนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็ได้วันเดือนหกแผ่อพระองค์จึงได้อญาค า, านายโสธยะมาแล้วก็เกลี่ยลงที่โคลนต้นโพอแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่งคัดสมาธิ นี่แหละตอนที่ท่านจะถล่มเข้าไปในจุด <c oughs> จุดที่มันปล่อยอาพุธออกมาต้องหาต้นต่อต้นตอมันอยู่ไหนต้องพยายามสืบสอ ด, ดูจากนั้นพระองค์ก็ น, นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อใจของพระองค์ไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตจิตใจพระองค์อยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เวลานี้เวลานี้เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว จากนั้นพระ อ, องค์ก็เกิดญาณรัตนะเกิดฌานคือเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้น เ, เรียกว่าปุบเพนิวาสานุสติญาณลาลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้แหะคือปฐมเรื่องเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะคือถ้าจะว่าไปก็คือก้อไกเรียกว่าเอ เรือววันวันทูทีเรยกว่าหนึ่งคือว่านับหนึ่งจุดแรกที่จะขายายผลไปอยู่สองสามสี่ห้าเรือว่ากอไก่ข้อไขข้อ ข, ข, ขวรแล้ว A B บีดีต่อไปแต่จะต้องนับจากจุดนี้ก่อนคือคือหนึ่งคือกอไก่ที่พระ อ, องค์ทำจิตใจให้สงบติดใจให้เป็นหนึ่ง เรื่องราวทั้งหลายมันออกไปจากนี่เองออกไปจากเรื่องตัวนี่เองคือออกไปจากใจนี่เองตัวนึกคิดนี่เองในเมื่อพระองค์รู้จุดนี้แล้วท่านจึงรู้เรื่องราวต่างๆนะว่าโมโนปุพังคัมมาธรมามโนเศรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละ จากนั้นท่านก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเมื่อทาเมื่อใจโอสติจับอยู่ที่ใจของตนเองแล้วใจสงบใจนิ่งใจไม่หวั่นไหวกวยแว่งใครเข้ามาจับจับตัวนักเลงแล้วจับหัวหน้ามันได้แล้วใช่ไหมอุณสติปัญญาจับแล้วมันทำไมใจตรงนี้จงึงเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารมากมายทำมเพะอะไร พระ อ, องค์ก็คลี่คลายดูในใจเพราะมันมีอารมณ์อยู่ในแทรกอยู่ในนั้นคือกิเลสราคะคือความกำหนัดยินดีกิเลสโทสะคือความโมโหโกธาฉุนเฉียวกิเลสโมหะคือความรุ่มหลงมัวเมางมงายว่าร่างกายของตัวเองนี้จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายนี่นะความโมหะคือความหลงมันอยู่ในนี้ จากนั้นพระ อ, องค์ก็ใช้ต่ปัตรมคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นปริโยสานคือสุดท้ายจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ใช้ศีลสมาธิปัญญากันกรองไตรตองชำระใจของพระ อ, องค์ผู้นส้จุดพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละคือความเป็นหมาของพุท ธ, ธะสรุปแล้วก็คือ ท่านไม่ได้หาที่ไหนแต่ทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงการศึกษาถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาระดับไหนก็เถอะจะเป็นโลกโด็อกเตอร์ ร, อระดับไหนก็เถอะจะเป็นโปรฟิโปรฟิเชอร์ขนาดไหนก็เถอะนะก็มีแต่เรียนทางนอกเรียนไปทางกิเลสมันมันยิงลูกกระสุนออกไปพอมันยิงลูกกระสุนออกไปแล้วก็ไล่ตะคบกันลูกกระสุนยอยู่นะนะ อ, อมันไม่ไมรู้ไม่รู้มันออกมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษานั้นน่ะท่านมองเข้าไปหาหมดลูกกระสุนมันมาจากไหนใครเป็นคนยิงกระสุนออกมา เ, เนี่ยก็เลยค้นคว้าเข้าไปค้นคว้าจุดนี้จะใช้อย่างไงต้องใช้สมาธิเท่านั้นนี่ยนะพระพุทองค์บอกว่าธรรมะของเราไม่ใช่คาดไม่ใช่เดาไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่ประมาณการ ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่รู้ในหลักธรรมคำสอนของเราทรมะปดเป็นปั จ, จัดตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้นี่แหละในเมื่อพระองค์รู้แล้วก็เข้ามาสู่จิตใจอารมณ์ทั้งหลายออกมาจากใจส่งไปทางตาส่งไปทางหูตาไปเห็นรูปอพอใจไม่พอใจ อจากนั้นก็ส่งคําพูดออกไปส่งแนวความคิดออกไปไปถล่มเขาอส่งไปทางหูจะยินเสียงไหนมาไม่พอใจไม่พอใจอถล่มส่งออกไปเพราะบฏิจินมาทางจมูกคนเหมือนกันทางลิ้นทางกายออกไปเป็นทางปล่อยผนทางของกิเลสออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ผลในสุดมันออกมาจากไหนออกมาจากใจใจคือนมามะธรรมคือตัวผูว้รู้เนี่ยนะถ้าจะว่าไปคื อ, คอสมองคนก็ว่านี่ว่าสมองเพราะเขาไม่มีหลักวิชาการอย่างอื่นที่จะไปจับตัวนั้นได้เพียงแต่รู้ว่าสมองมันออกมาจากตัวสมองแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ที่ใช้สมองน่คือใครตัวนั้นจุดที่ยังวิทยาศาสตร์ยังขนไม่ถึง ผู้ที่มาใช้สมองสมองเนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาตั้งอยู่บนหัวศีรษะมาตั้งบนศีรษะของเราเนี่ยจากนั้นคนที่มากดคอมพิวเตอร์ใช้นี่คือใครนะคนนั้นแหละเขามองอยังไม่เห็นหาไม่เจอเลหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านค้นเจอแล้วว่าตัวที่คนที่มาใช้สมองกดคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั่นคือใครคือนามธรรมคือมโน หรือคือใจคือตัวผู้รู้หรือตัววิญญาณสุดแท้แต่เราจะเรียกนะแต่คือสรุปแล้วก็คือตัวใจนะั่นะไปกดไปใช้คอมพิวเตอรนะ์ในเมื่อใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ทำงานทำงานก็สั่งออกไปฮนะก่อนที่มันจะสั่งเข้าไปเนะี่ยตัวใจตัวผู้รู้นี่แหละเออเป็นผู้สร้างคอมพิวเตอร์ต่นนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าใจดวงนี้ทากรรมชั่ว ทำกรรมไม่ดีในเมื่อสร้างคอมพิวเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็คอมพิวเตอร์เร็วคอมพิวเตอร์ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพเพราะอะนรเพราะคนที่สร้างขึ้นมาไม่มีเงินถ้าคนที่มีเงินคือคนมีบุญในเมื่อคนมีบุญมาสร้างคอมพิวเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาคอมพิวเตอร์คอมพิเวเตอร์ตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพ คองว่องไวคิดอะไรดีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่สร้างคอมพิวเตอร์น่คือใจตรงนั้นคือมันโนนะมนโนปุกผังขมาทํามมาเนี่ตัวนั้นแหะมาสร้างคอมพิวเตอร์บนศรีรษะของแต่ละคนจากนั้นก็ใช้ใจ่ายใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละคนเราจึงบางคนก็โง่บางคนก็ฉลาดบางคนก็คิด วิทยผลิตไปมากแตกต่างกันหลายๆอย่างเพราะเหตุไรเพราะว่าคนมนโนตัว น, นั้นล่ะมนโนตัวผููใจผู้รู้นะตัวมนโนตัว น, นั้นล่ะเอไม่เหมือนกันเพราะนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าเอาตัวมนโนตัว น, นั้นล่ะมาเอาศีนธรรมเข้าไปชําระตัวมนโนตัว น, นั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้น มีกิเลสราคะโทสะโมหะนะอันนี้แหละอันนี้ก็คือแนวพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกกล่าวแนะนำให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราทุกทุกท่านนะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ให้ดูแต่รูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้นนะท่านให้ดูทหาต้นต่อของมัน ตนหลักของมันคืออะไรมันมาจากไหนมันต้องมีหลักมเออีเหตุซะก่อนมันต้องค่อยมีผลออกมาพนท่านจะให้หาเหตุเหตุมันมาจากไหนมันผลมันจึงออกมาอยา่างนี้มันมีเหตุซะก่อนจึงค่อยมีผลพะัะนั้นหลักของพุทธศาสน า, าจังหวัดหลักเหตุผลนะตอนนี้ไปละพรนะต่เนี้อนุโมทนาให้พร